นั้นเองก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงว่าชาวไทยของเรายังไม่เข้าถึงศาสนาของตัวเองก็เพราะว่าเราไปศึกษาได้เรื่องวัตถุมงคลนะแล้วก็เป็นการเป็นค่านิยมที่พระ 90% ที่เราฟังให้กับญาติโยมมาพระอีกสิเปเท่านั้นที่เยผยแพร่เรื่องพุทธศาสนา เก้าสเปนี่ยเพื่อแ่เรื่องเรื่องวัตถุซึ่งเขาบอกว่าเอ้มันไม่น่าจะเป็นอย่างนี้นะในแกลลี่เลยผมไม่มีความรู้เรื่องจัตุรามนี่เรียว่ า, ร า, วาพระจานทร์ให้ความรู้เรื่องนี้หน่อยซึ่งพุทธิเจ้าจะตัดถึงเรื่องจัตุรารีราสัดวาริีศศีอันนี้เป็นมันเขาปลุกกระแสนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการกลบกระแสการเมือง กลบกระแสการเศรษฐกิจการเมืองอะไรที่มันร้อนๆอยู่ปุกกระแสจัตุราลมาขึ้นมาดังนั้นเองก็ทําให้คนไทยเราก็ค่อยขๆนะจากหลักการเดิมของตนที่มีอยู่เพราะว่าเราไม่เคยเน้นย้าในเรื่องของของการปฏิบัติมาก่อนเราก็หลังจากที่หลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อชา หลวงพ่อเทียนแล้หลวงพ่อเกจิอาจารย์ดังวิปัสนาเกิดขึ้นก็คนที่ตื่นตัวก็คนในระดับอีกระดับหนึ่งเป็นปัญญาชนระดับกลางแล้คนระดับล่างก็ยังยังไม่เข้าถึงจริงจังจะด้วยเหตุใดก็ตามนะพระศาสนาที่เป็นตัวจริงในในบ้านเรายังมีมีน้อยมาก ดันั้นพวกเราถือว่าโชคดีที่ได้มาศึกษาเรื่องนี้แต่ว่าถ้าเราไปไม่ตลอดรอดฟังมันก็กลับไปหาวัตถุมงคลอีกแเพราะเรื่องของชีวิตพุทธศาสนาเนนต้องอาศัยปัญญาจริงๆม่คีที่เราฟังคิริมนุทัศสูตรที่ท่านพูดจากพุทธพจนอกี้บอกว่าคนส่วนใหญ่ต้องการความสุขใช่ไห ก็คือต้องการความทุกข์นั่นเองคนต้องคนส่วนใหญ่ต้องการกุศลแต่ความจริงกุศลอะกุศลก็คือเป็นคนเลียนคนละด้านเหลียนเดียวกันโคนละด้านท่านั้นเองแต่ในที่นี้มาอยากจะให้รู้จักคําคํานึงคืว่าอัปยาอัปยากิตเวลาพระสวดกุศลธรรมมาอากุศลธรรมาอัปยากตาธรรมมาเคยยินไหมอัปยกตาธรรมแปลว่าอะไรอัปยากตาธรรม อบุณรัตนาเป็นชาวพุทธคําว่าอพยากตาธรรมานี่หมายถึงอะไรนี่นี่เห็นไหมาเคยถามพระไว้้ว่าอพยากตาธรรมาแปลว่าอะไรอืมเห็นไหมนี่เป็นชาวพุทธตัวจริงเลยนะแต่ว่าอพยากตาแปลว่าจะคุณรัตนาถามไม้ชี้นี่เคาวัดมาหลายปีก็ยังไม่รู้เหมือนกันอพยากตาธรรมานี่ย ฟังหลายรอบด้วยอัพยากตตาธรรมาซึ่งรงนี้พระเองก็ยังไม่ชัดนะอัพยาการตาแปลว่าอพยากิจอพยากิจคือธรรมที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งถ้ากุศลธรรมะก็คือธรรมที่ยังปรุงแต่งที่เป็นกุศลใช่ไหมเช่นเราคิดในฝ่ายกุศลคิดดีคิดช่วยเหลือคิดนั่นคิดนี่นี่ก็เป็นธรรมฝ่ายกุศลก็ปรุงแต่งอยู่ อกุศลาธรรมาก็ยังไม่ต้องพูดถึงก็ยิ่งปรุงแต่งใหญ่ปรุงแต่งในฝ่ายไม่ดีเป็นอกุศลแต่อภยาคตาธรรมาเป็นธรรมที่ไม่มีอะไร ป, ไ ป, ปรุงแต่งได้ก็คือนิพานนั่นเองแต่ในสายสนมกกับว่าไ ป, ปอีทางหนึ่งว่าธรรมที่ยังพยากรณ์ไม่ได้ว่าเป็นกุศลหรืออกุศลเอาไปทางนั้นอีกนี่ยมันมันแต่ความจริงในคิริมนนทสุดนั้นในความหมายท่านหมายถึงว่า ทำที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งอพยากตะอภยากิจทำที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งได้อัพยากตาธรรมมาเอามีสามอย่างก็<ม>ได้แก่หมายถึงตัวสังคตรธรรมคือธรรมที่เป็นมุ่งไปสู่ตัวนิพพานทีนี้พอพูดถึงเรื่องของการแยกสุขแยกทุกข์ออกจากกันเราก็ชักยากให้จะแยกยังไงเพราะเราปรารถนาสุขถ้าหากว่าเราสุขทุกข์เป็นอันเดียวกันเราจะไปหาสุข ไปทำไมเนี่ยตรงนี้ลาแบากเหมือนเราแยกน้ําออกจากนมแยกนมออกจากน้ํนาเ น, นี่ยมันมันยากแต่ถ้าหากว่าเราทิ้งทิ้งนมก็เหมือ น, นทิ้งน้ําทิ้งน้ําก็เหมือนทิ้งนมใช่ไหมทิ้งสุกก็เหมือนทิ้งทุกทิ้งทุกก็เหมือนทิ้งสุกอ่าเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอีกน้ําหนึง่งที่มันไม่ใช่ น, น้ํานมเขาเรียกน้ําอะไร <c ười> กระน้ำซีเนี่ยนี่ไม่ใช่ไม่ใช่น้ำนมมันเนี่ยเห็นไหมถ้าเดิมมันเป็นน้ำนมขาวๆเนี่ยถ้าโยนน้ำนมทิ้งโยนน้ำใสเข้าไปกับน้ำนมด้วยแต่น้ำอีกอันหนึ่งที่มันไม่อยู่ในน้ำนมเนี่ยไม่อยู่น้ำต่างหากก็นั่นคือน้ำธรรมดาได้แก่น้ำบริสุทธิ์ในตัวเรานี่มันก็มีทั้งกุศลอกุศลใช่ไหมแล้วก็มีตัวบริสุทธิ์อยู่คือตัวที่ไม่ปรุงแต่งก็มีอยู่แต่เราไม่ค่อยเน้นไม่ค่อยรู้จัก เพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีคนเห็นไม่มีคนเข้าใจไม่มีคนถามถึงไม่มีคนพูดถึงแต่มันมีอยู่นันกงานมาเจริญวิปัสสนานี่คือเรามาเน้นตัวนี้ให้มันชัดๆเท่านั้นเองนะเน้นตัวอภยากตาธรรมาเนี่เน้นให้ชัดคือไม่ปรุงแต่งแต่ทางกายนี่มันก็ปรุงแต่งเป็นเจ็บเป็นปวดเป็นเมื่อยเป็นไข้เป็นหนาวมันปรุงแต่งทางกายนี่หลิกเลี่ยงไม่ได้นะกายนี่เป็นอภยากิจไม่ได้แต่ใจนี่เป็นอภยกิจได้ กายเนี่ยเป็นเป็นสังคตธรรมเป็นหนสังคตะธรรมไม่ได้แต่จิตที่เป็นได้ทั้งสองอย่างเป็นทั้งสังคตธรรมแสังคตธรรมคือปรุงแต่งก็ได้ไม่ปรุงแต่งก็ก็มีนี่เราจะแยะกมันได้ยังไง mm. ก, ก็ต้องมาศึกษาอย่างนี้ว่าตัวสติปัฏฐานจิตปัฏฐานนี่รวมแล้วเหลือสองอย่างใช่ไหมกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยกายกับเวทนาเนี่ยเป็นรูป จิตตาธรรมาเนี่เป็นนามใช่ไหมเรียกว่ารูปนามเพราะนั้นกนําหนดรูปลูกนามก็กําหนดรู้สตรีประทานสี่นั่นเองถ้าหาว่ากําหนดรูปรูปเนี่ยเป็นฝ่ายสังกตธรรมกาหนดรูปนามเป็นทั้งสังกัตธรรมและสังกตธรรมในส่วนรูปเนี่ยอันนส่วนรูปเนี่ยมันเป็นทั้งเป็นสังกตธรรมฝ่ายเดียวแต่นามมันเป็นทั้งส่วนที่ปรุงแตง่งแลไม่ปรุงแต่งก็มีถ้าเป็นนามล้วนๆเนี่ย อย่างนามคือสติสมาธิปัญญานี่เป็นนามล้วนๆนะแต่นามที่มันมีความรู้สึกนึกคิดอยู่ในนั้นน่ะนีเขาเรียกว่านามมารูปตัวนี้เป็นส่วนที่ปรุงแต่งอยู่เป็นสังกตดธรรมปรุงแต่งอยู่เป็นกุศลอกุศลอยู่แต่ถ้าหากว่ามันไม่ปรุงแต่งเป็นน้ํามล้วนๆเนี่ยเป็นอัภยากิจได้ที่นี้น้ํามล้วนๆมีได้ไหมเช่นอะไรไม่ชีความง่วงนี่เป็นสังกตดธรรมหรืออสังกตดธรรม <c oughs> ไม่ชีก้กาลังปฏิบัติสังกตฏธรรมอยู่ค <c oughs> วามมุ่งเข้าไปปรุงแต่งอ่าความมุ่งนี่เป็นสังกตฏฐธรรมหรืออสังกตฏธรรมเป็นสังกตฏคือปรุงแต่งอยู่ใช่การปรุงแต่งของกายและอารมณ์ร่วมกันแต่ถ้าหากจะทําให้มันเป็นอสังกตฏได้ไหมทําไงก็ปลุกให้ตื่นเท่านั้นเองตื่น <c oughs> ตื่นเฉยๆใช่ไหมเพราะตื่นขึ้นมาโดยที่ไม่เศร้าหมองหรือไม่ดีใจไม่เสียใจไปกับนั้นก็เป็นตัว สังคราธรรมคือไม่ปรุงแต่งความจริงตัวนี้ง่ายๆนะตัวที่มันไม่ปรุงแต่งเนะนี่ยแต่เนื่องจากว่าเราไม่ค่อยรู้จักมันมันเลยตั้งอยู่ไม่ได้นานไงตัวรู้สึกเฉยๆนี่นะผมพอเรียนเน้นมากเลยนะตัวรู้รู้เฉยๆรู้ซื่อๆรู้แบบไม่เอาอะไรแต่เนื่องจากว่าจิตของเราเนะี่ยมันคุ้นที่จะเอาอะไรมาทั้งหลายภบหลายชาติแลกลกันแลกกันเนะแต่มารู้ซื่อๆแบบไม่เอาอะไรเนะี่ยมันเป็นไปได้ยากเหมือนั้น แต่เราก็ฝึกได้ฝึกตัวรู้ซื่ อ, อได้เวลายกมือเนี่ยมันรู้ชื่อเนอะไอตัวตัวนามล้วนๆนี่แก่ตัวสภาวะทําที่ไม่ปรุงแต่งเช่นสติเนี่ยสมาธิเนี่ยทําให้เราปรุงแต่งไหมต้องคิดเอาไหมสมาธิต้องคิดเอาไห ม, ม, ไหมปัญญาเนี่ยต้องคิดไหมไม่ต้องคิดมันรู้เอาเลยแต่ส่วนไหนที่เป็นต้องคิดเอาอยู่เนี่ยตัวนั้นไม่ใช่ตัวนั้นไม่ใช่นามเป็นนา ม, มารูป อย่างสมมติเราคิดถึงธรรมะอย่างเงี้ยคิดธรรมะอย่างธรรมะเป็นอันนี้จำทุกขังนับตายอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้เป็ น, เ ป, น, น, นเป็นนามล้วนๆไหมเป็นอะไรเป็นนามรูปแล้วเพราะเราเราคิดเอาถึงมันจะเป็นธรรมก็จริ ง, งนะแต่มันยังไปสู่การปรุงแต่งอยู่ก็เรียกว่าธรรมะวิตกธรรมวิจารณในหมดแม้แต่ธรรมะวิตกธรรมวิจารเองก็ยังเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ได้อยู่มีแต่ธรรมวิจัย ธรรมวิจัยทำไมจึงจึงเป็นจึงไม่ใช่เหตุเกิดทุกข์เพราะทรรมวิจัยนะั้นสอดคล้องกับความเป็นจริงใช่ไหมเช่นขณะนี้เราปวดแข้งปวดขาปวดท้องอย่างเงี้ยเราก็กำหนดรูล้ลงไปในความปวดนั้นว่าความปวดนี่เป็นอะไรความปวดนี่นเป็นความไม่สบายความไม่สบายกายความไม่สบายกายเรียกว่าทุกข์ความไม่สบายใจเรียกเรียกว่าโทมนัส ในขณะ น, นั้นในขณะนี้ปวดท้องเนี่ยความเป็นคือความไม่สบายความสบายนี่เป็นเราหรือเป็นเป็นเป็นปวดเป็นปวดมันก็เป็นทุกข์นั่นเองนงความสบายความไม่สบายความปวดท้องนมันเป็นทุกข์แต่ถ้าหากว่าเราความปวดท้องเราไปคิดว่าเราปวดเนี่ยมันก็เป็นอะไรขึ้นมาทันทีเป็นสังขารปุ่งแต่งทันทีใช่ไหมแต่ถ้ามันเป็นทุกข์มันก็จบใช่ไหมแต่ถ้าเราทุกข์แล้วมันจบ ไม่จบอถ้าเราทุกข์นี่ไม่จบแต่ถ้าอาการว่ามันเป็นทุกข์น่ะมันจบไม่มีอะไรที่ที่ไปกว่านั้นอีกแล้วแต่ถ้าเราทุกข์น่ะมันมีเราเข้าไปอย่างไงี้มันมีเราเข้าไปสมมุติว่ามีมีเนื้ออยู่ก้อนหนึ่งถ้ามันเป็นเนื้ออยู่ตรงนั้นน่ะถ้าไม่มีเชื้อโรคนี่ยมันก็อยู่ตรงนั้นน่ะแต่มันมีเชื้อโรคเข้าไปมันไม่มีมันไม่ได้อยู่แค่นั้นแล้นะมันก็ปุงแต่งไปเรื่อยๆเป็นบูดเป็นเน่าเป็นเหม็นเป็นเสียเป็นนอนไปเรื่อยๆไปไม่จบเป็นสังขาร่ะ นี่ยดังนั้นเองในชีวิตประจำวันเราจะทำอย่างไรให้เรื่องของของนามล้วนๆเนี่ยเข้ามาอยู่กับรูปนามถ้าเป็นรูปนามเฉยๆนี่นะโดยที่มีสติเข้าไปกําหนดรูปนามเฉยๆเนี่ยรูปก็คือรูปนามก็คือนามโดยที่ไม่ปรุงแต่งแต่ว่ากายคือรูปเนี่ยมันก็ปรุงแต่งนะแต่ว่าเราไม่ปรุงแต่งไปกับรูปเราเป็นผู้ดูอยู่อันนี้ ก็เป็นเรื่องของสติแต่ถ้าหากว่ามีนาำมาลูปคือการปรุงแต่งเกิดขึ้นเนี่ยมันก็แก้ยากนะเหมือนกัะนน้ำนมมันแก้ยากแต่ถ้าหากว่ารูปน้ำเนี่ยมันเหมือนกับ น, น้ำกับขวดน้ำกรขวดรูปก็คือขวดน้ำก็คือน้ำนี่แหละแต่ถ้าหากว่าขวดนี่เป็นขวดนมอ่ะเป็นอะไร ขวดนี้เป็นขวดนมเป็นน้ำรูปเยอะใช่ไหมมันมีรูปแล้วก็มีในข้างในก็มีน้ํามารูปอีกเดองหากใช่ไหมนอกจากมีรูปแล้วก็มีน้ามารูปซ้อนลงไปแต่หาเป็นขวดนมขวดนมกับขวดน้ําเนี่ยตั้งไว้นานๆอนนัอนไหนจะเปลี่ยนแปลงขวดนมเปลี่ยนแปลงใช่ไหมแต่ขวดน้ําเปลี่ยนแปลงไหมไม่เปลี่ยนเห็นไหมรูปน้ำเนี่ยถึงตั้งนานเท่าไหร่มีสติกําหนดรูปมันไม่เปลี่ยนแปลงถ้ากําหนิดรูปน้ํา แต่หากว่าน้ำรูปเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงเียเพราะมันมีตัวให้เปลี่ยนแปลงเพราะน้ำรูปเป็นเป็นอีกส่วนประกอบหนึ่งของปฏิสุบปะปฏิสุบะทสองมีน้ำรูปอยู่ใช่ไหมจำได้ไหมปฏิสุบทมีอะไรบ้างอาวิชชาปฏิยาสังขาริยาาอัยบะอวิชชา ไม่สังขารลอยสังขารลสังขารลอยอวิชชาสังขารวิญญาณ น, นามรูปใช่ไหมแล้วก็ยตนะผัสสะเวทนาคาว่านามรูปนามมีแม้ในนั้ น, นไม่มีรูปนามไม่มีในปิจจสุบาตแต่นามรูปมีอยู่ในนั้นเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งในสิบสองส่วนที่จะทำให้เกิดทุกข์นั้นหมายความว่า นมามรูปเนี่ยไม่ได้เป็นรูปนมามไม่ได้ไม่ได้เป็นเหตุเกิดทุกข์แต่เป็นเหตุที่จะให้ทุกข์ดับได้แต่รูปแต่นมามรูปเนี่ยเป็นเหตุเกิดทุกข์ได้ดังนั้นเองในการเจริญสติและเกี่ยวข้องด้วยรูปนามให้รู้เฉยๆนะดูรูปนามเฉยๆเนี่ยแต่ถ้าเมาื่อใดเราไปคิดว่ารูปนามนี้เป็นเราขึ้นมามันเกิดอะไรเกิดนามรูปแล้วใช่ไหมเกิดความผิดแล้วแต่ถ้าหากว่ารูปนี้ศัพท์ว่ารูปอ่าแล้วก็ปวดนี่ศัพท์ว่าปวดเจ็บนี่สัพท์ว่าปิดรู้มันแค่นี้แหละ ลรารู้บ่อยๆให้จิตมันรู้บ่อยๆคุ้นบ่อยๆแต่ถ้าเมื่อใดจําเป็นต้องใช้ความคิดก็ต้องใช้สติเข้าไปใช้สติเข้าไปสมมุติว่าเราจะอาบน้ำอย่างเงี้ยก็มีสติกำหนดรู้ไปอาบน้ําไม่ต้องคิดว่าไปอาบน้ําจะอาบดีไม่ดีหนอจะอาบแบบไหนจะควมอาบนง่ายอาบน้ำง่ายอาบยังไงไม่ต้องคิดละถ้าคิดไปก็เป็นอะไรอีกเป็นนามลู้เกิดขึ้นอะไรใช่ไหมถ้าคิดว่าจะไปอาบน้ําก็เดินไปอาบเท่านั้นเองก็เป็นยังเป็นลูกน้ำอยู่ นะเพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันเนี่ยตัวตัวนามมันมีสามอย่างนะหนึ่งอะไรที่กำลังพูดเนี่ยรูปนามสองนามรูปสามนามล้วนๆนอ่านามรนุรนๆนนามล้วนๆ้ น, น, น, นเนี่ยจะเป็นผู้เข้าไปเกี่ยวข้องกับรูปนามและนามรูปถ้าหากว่ารูปนามนีไม่มีนามคือสติสมาธิปัญญาเข้าไปกำหนดรู้เนี่ย รูปนามตัวนี้ก็จะตกเป็นาธาตุของความคิดของการปรุงแต่งได้เหมือนกันคือตกเป็นาธาตุของอวิชชาแต่ถ้ามีตัวนามตัวสติสมถิปัญญาเนี่ยได้แกะเป็นตัวนามเข้าไปรู้เสียรูปนามตัวนั้นก็เป็นเหตุดับทุกข์นามรูปนี้เหมือนกันถ้าไม่มีสติสมถิปัญญาปเกี่ยวข้องนามรูปนี้ก็จะเป็นเหตุเกิดทุกข์แต่ถ้ามีสติสมถิปัญญาเข้าไปดูสมมุติว่าเรากำลังคิดว่าไอ้บ้านเราตัวนี้ มีใครอยู่บ้างหนอแล้วตรงนั้นตรงนี้จะทํายังไงเอาคิดไปนะตรงนั้นจะเป็นยังไงตรงนี้จะเป็นยัไใครอยู่ใครคนนั้นเป็นยังไงคิดไปนามารูปเกิดแล้ะแล้วก็คิดไปเรื่อยๆตัวนี้ น, นํามารูปเกิดพอนํารูปเกิดแล้วไอ้ความที่เราคิดปรุงแต่งไปนั้นไปโดยอํานาจของความไม่รู้ตัวนะว่าเรากำลังคิดอยู่ใช่ไหมแต่พอเรารู้ว่าอ๋อเราคิดแล้วนี่อะไรมาสติปัญญามาแล้วใช่ไหมไอ้ความคิดปรุงแต่งก็ดับไปทันที เนี่ย ม, มันจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องแบบนี้แหละแต่ถ้าสมมุติว่าเราสติสมาธิปัญญาที่เราไม่ได้ฝึกฝนไว้เนี่ยมันจะมันจะสะกิดมันจะเอะใจไม่ว่ากําลังคิดมันก็คิดไปเรื่อยๆใช่ไหมจะจบเรื่องเดี๋ยวพอจบเรื่องนี้มันก็ตั้งเรื่องใหม่ขึ้นมาใหม่อีกไปเรื่อยเรืยเนี่ยเห็นไหมนี่เขาเรียก ว, ว่าน้ำมไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องในนา ม, มารูปมันก็ทุกข์ก็เกิดในขณะนี้รูปนามเราก็เป็นยังไงรูปนามเรามันสบายไม่สบายถ้าเราเข้าไปกําหนดรู้ c, นามก็ประกับนูปเสียอ๋อมันสักแต่ว่ารูปนามมันไม่ใช่เรามันก็จบใช่ไหมแต่ถ้าเอาไวปปุงแต่งกอ้วปวดแล้วเกินวันนี้เล่นโยคะเมื่อไรพ่อเฉลิกในสามพุ่มกัว น, น่าจะได้นอนแล้วนะคิดไป <laughs> อันนี้รูปนามวันนี้ก็เป็นอะไรอีกเป็นทุกข์อีกใช่ไหมเพราะมันมีตัวอะไรเข้าไปตัวนามมาลูกเข้าไปเกี่ยวข้องกับรูปที่ขาดสตินะเนี่ยจะเห็นว่าในชีวิตประจำวันเรื่องของ าการดับทุกเนี่ยมันมีอยู่ทุกก็มีอยู่การดับความไม่ทุก็มีอยู่ด้วยกันนั่นแหละถามว่ามีสุขัหมถ้าเมื่มอใดเป็นเรื่องสุขขึ้นมาเนี่ยก็เป็นเรื่องปรุงแต่งเอาใช่ไหมนึกออกหรือเปล่าปรุงแต่งว่าโอ้มาที่นี่เนี่ยอากาศก็ดีอาหารก็ดีได้ปฏิบัติธรรมเรานึกเอาใช่ไหมแต่ขนาดนั้นถามว่ามันเป็นสุขไหม อืมอเราพอใจใช่ไหมความใจแล้วมันสุขไห ม, มสุขจริงไมไม่มจริงไม่จริงขนาดนั้นมันก็ยังมีความไม่สบายบางส่วนอยู่ใช่ไหมหลังขาปวดแข้งปวดเจ็บอมันก็นึกเอาเท่านัน้นก็เป็นสุขที่เราปรุงแต่งขึ้นมาแล้วก็มันไม่ใช่ชัดเจนแต่ว่าในขณะที่เราสัมผัสได้ขณะเนี้ยความทุกข์มีอยู่เราดูเข้าไปอีกทีหนึ่งในความทุกข์นี้มีเราไหมมีเราเข้าไปสเสวยทุกข์ไหม ถ้ามีเราเข้าไปเสวยทุกความทุกอันนั้นมันก็เป็นทุกที่เป็นสังขารขึ้นมาทันทีแต่ว่าถ้าหากว่าเข้าไปดูอ๋อทุกมันมีอยู่แต่ว่าไม่มีเราเข้าไปเสวยทุกไม่มีเราเป็นผู้ทุกมันก็เป็นอะไรเป็นรูปนามเฉยใช่ไหมทุกก็ไม่มีก็เป็นตัวไม่ทุกขึ้นมานะและร่ังกายเนี่ยมันทุกแหละว่าเอาเป็นประมาณมาได้เพราะมันเป็นสังขารแต่จิตของเราขนาดนั้นทุกไหมไม่ทุกใช่ไหม ไอ้ตัวไม่ทุกมันปรากฏอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องปรุงแต่ทำไมเราจึงไม่ค่อยไม่ค่อยได้อยู่กับตัวนี้ก็เพราะว่าเราไม่ดึงเข้ามาไม่ค่อยเฝ้าดูไม่ค่อยศึกษาไม่ค่อยตอกย้ำให้ชำนิชำนาญมันก็เลยมาเป็นที่พึ่งของฉีดไม่ได้ไอ้ตัวไม่ทุกเนี่ยแต่ทีนี้ถ้าเราดึงเข้ามาตอกย้ำมาศึกษามาเฝ้าดูบ่อยๆ่อยๆจนกระทั่งไอ้ตัวไม่ทุกเนี่ยปรากฏชัด เวลาเราสวดตอนเช้าอะ่ะจําได้ไหมเกวรสาทุกขคัขขนรสาอันตะกิริยาสังวปรปัญญาเยธาติเนจะีระปรินิพุทธามปิตังปวกวันตังไปถึงว่าปัญญาเยทาติเกวรสาทุกขคันรสาอันตะกิรยิ ย, ยาสังวรตตุนะทำฉไหนาการทำที่สุดทุกข์จะพึงปรากฏชัดแน่ปรรัญญาตรงนะั้นแปลว่าปรากฏชัดปัญญา ปัญญาเยทาติทำยังไงไอตัวไม่ทุกเนี่ยจะจึงปรากฏชัดแก่เราได้แต่ความจริงความไม่ทุกเนี่ยปรากฏชัดแล้วตอลอดเวลาแต่ว่าเราไม่ค่อยระลึกใช่ไหเราไม่ค่อยแต่เราไปมองหาอะไรมองหาใจสุขอะไปมองหาใ่สุขเรามองหาแต่ทุ ก, แ, กแต่เราไม่เคยมองหาตัวไม่ทุกเลยใช่มแน่เห็นไหม เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละเรามาปฏิบัติไม่ใช่เรื่องอะไรมากนะแต่เรามาตอกย้ําให้มองเห็นตัวไม่ทุกเนี่ยบ่อยๆเท่านั้นเองเพื่อให้เป็นเป็นทางของจิตเพื่อให้เป็นมัคของจิตเมื่อจิตของคนใดก็ตามที่ไปสัมผัสกับความไม่ทุกข์ที่จนเป็นเป็นมัคนะคนนั้นก็หมายความว่าได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วเพียงได้เห็นตัวไม่ทุกให้ชัดเท่านั้นเองนะถือว่าได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วเราก็สั่งสมมันไปเรื่อยๆให้เพิ่มเพิ่มความชัดเจนไปเรื่อยๆ จนกระทั่งความไม่ทุกเนี่ยชัดเจนมากที่สุดจนกระทั่งจิตของเรานะั้นไม่ไป็สับหาสุขไม่เป็น ส, สับหาทุกอีกแล้วก็ถือว่านั่นแหละคือการสัมผัสอารมณ์นิพพานแล้วแต่ว่าจะกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะจิตของเราจะไปสัมผัสความไม่ทุกกี่เปอร์เซ็นต์ถ้า25ปซขึ้นไปเป็นเป็นพระโสดาแล้วเข้าสู่กระแสของธรรมแล้ว50เปอร์เซ็นต์เป็นสกิรทา80เปอร์เซนพระอนาคามแล้วเป็นสัมผัสความไม่ทุก100เปอร์เซ็นเลยนะ ไม่ได้คิดถึงทุกข์ไม่ได้คิดถึงสุขเลยนี่ยเป็นพระอรหันต์นะเห็นไหมเพราะนั้นเราก็เพิ่มเพิ่มเพิ่มความเข้มเพิ่มดีกรีเพิ่มอะไรให้มากๆขึ้นเท่านั้นเองอืมเพิ่มให้ชัดเท่านั้นเองอืแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเรามีความคิดเข้ามาแย่งพื้นที่ของมันเนี่ยนกําลังรู้ความไม่ทุกข์อยู่ดีๆปุ๊บปั๊บคนนั้นมาชวนพูดเรื่องอื่นปั๊บเนี่ยแล้ก็ลุยเข้าไปด้วยเนี่ยเพาะนั้นหมายความเราเสียพื้นที่แล้วเสียพื้นที่ เพราะฉะนั้นท่านบอกว่าจึงพยายามหลีกเลี่ยงคนที่ชวนให้เราเสียพื้นที่ <c oughs> เสียสมาธิต้องหลีกเลี่ยงไว้ก่อนนะเห็นว่าคนนี้เข้ามาหาเราไม่ได้ชวนเราพูดในเรื่องรูปเรื่องนามไม่ได้ชวนเราพูดถึงเรื่องแต่พูดเราต้องเลี่ยงไว้ก่อนนะยังไงก็เฉยเฉยไม่พูดไว้ก่อนถ้าพูดแล้วมาเจอต่อเรื่องยาวไปเรื่อยๆกันเราก็เสียพื้นที่มากไปเรื่อยๆใช่ไหมวันนี้คุณนั้นต้องจําให้ดีนะ <c oughs> ไม่อย่างได้เสียพื้นที่ไปหมด นราจะเห็นว่าเราจะทํายังไงที่จะรักษาพื้นที่ไว้ได้รักษาพื้นที่ของความรู้สึกไม่ทุกเนี่ยให้รักษาให้มากขึ้นเนี่ยยากนะเพราะคนทั่วไปมีแต่ทุกอะมีแต่จะทุกมามาใส่พื้นที่จิตของเราที่เราจะรักษาพื้นที่ไม่ให้จิตของเราเนี่ยเพิ่มตัวทุกขเข้ามาเนี่ยมันก็ต้องมารักษาพื้นที่ในอย่างเข้มแข็งก็คือรักษาตัวเลยโดยสติอ่าโดยสติความลึกอยู่ในในรูปรายนามเสมอ แล้วถ้ามันจำเป็นต้องอยู่กับคนหลายคนนี่จำเป็นต้องปรุงแต่งจะทำไงจำเป็นต้องเสียพื้นที่จะทำไงอ่าทาไงก็ต้องใช้ปัญญา<ม> <laughs> ใช้ปัญญาป้องกันตัวเองเนยะ ระวองกันพื้นที่ไม่ให้ลุกล้ำเข้ามานะฉันปิดไว้ตรงนี้นะเอถ้าแกลุกล้ําเข้ามาฉันก็ไม่เอาด้วยนะแต่ถ้าหากว่าเรามีกรุณามีปัญญาเนี่ยเราจะรักษาพื้นที่ได้ด้วยแล้วขยายพื้นที่ให้เขาด้วยขยายพื้นที่เอาค่าได้ด้วยนั่นใช้ปัญญาได้ความกุณนากุณาหมายความว่าช่วยเขาด้วยหมายความว่าถ้าปล่อยเขาไว้เนี่ยขเขาก็จะต้องลุกพื้นที่เรามาเรื่อยเืยเพราะนั้นต้องช่วยเขาเกิดพื้นที่ความไม่ทุกข์ด้วยนี่ต้องใช้กรุณาและแต่เราจะมีปัญญามากไหม เออขอ <laughs> เฮงเฮเราขยายต้องขยายพื้นที่เขาเรียกพุทธเกษต ร, รพื้นที่พุทธเกษตรคือตัวนิพพานนี่นะนิพพานได้ชื่อใหม่ว่าพุทธเกษตรเพราะฉะนั้นในนิกายมหายานเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่านิกายพุทธเกษตรหรือนิกายเพียวแลนด์นิกายเพียวแลนน์นาฬิการสุขาวดีนั่นแหละ เขาก็เป็นพิกายเนี่ยมหายาดังมากเลยนะดินแดนสุขาวดีก็หมายถึงช่วยกันขยายพื้นที่แห่งความไม่ทุกเนี่ออกไปด้วยการแผ่เมตตากรุณาอะไรเนี่ยเป็นล่าเป็นสันเลยนะจนกระทั่งมีเจ้าแม่คนอิมพระอวะโลกิเตส่วนเข้ามาเป็นเจ้าของพื้นที่นั่นแหละนะเมตตาจิตแผ่เมตตาออไปนะั่นแหละคือการคือกา ร, ค, การคือการเข้าไปขยายพื้นที่แห่งความไม่ทุกออกไปแต่บางทีมันคนแล้วความหมายนะ มาคนละความหมายที่เราพูดถึงนะอันนั้นก็ต้องเขาปรุงเท่าปรุงแต่งเน่ะแต่พื้นที่ตัวนี้ไม่ต้องปรุงแต่งเราต้องพยายามศึกษาเรื่องนี้ให้เข้มแข็งดังนั้นเราจะต้องสร้างเป็นกระแสะวัฒนธรรมนะมาว่านะกระแสะวัฒนธรรมใหม่คือกระแสะวัฒนธรรมม่ปรุงแต่งความรักก็ต้องปรุงแต่งใช่ไหมก็ไดนะ้ความชังก็ต้องปรุงแต่งใช่ไหมความชอบปรุงแต่งไหมไม่ชอบปรุงแต่งไหม แต่งทุกอย่างเลยใช่ไหมทีนี้เราก็ต้องเข้าไปทำไงอยู่ระหว่างกลางอะ่ะตรงนี้เองที่พุทธเจ้าตรัสว่าทางสายกลางคือเข้าไปอยู่ในระหว่างกลางระหว่างสุขระหว่างทุกข์ระหว่างดีระหว่างชั่วเราจะอยู่ไหวไหมสมมุติว่าอย่างเงี้ยอบนฐานเนี่ยอืม มุดบฐานเนี่ยถ้าตกไปนี้เป็นฐานสุขใช่ไหมตกไปนี้เป็นฐานทุกตกไปทางนี้เป็นฐานดีตกไปนี้เป็นฐานชั่วเราจะต้องมายืนอยู่นี่ตลอดเวลาเนี่ยจะยืนย่อยไหมจะยืนอยู่นี้ตรงเนียพยังปลอดภัยได้ไงก็ต้องขยายฐานนี้ให้กว้างเรียกฐานอะไรสติปฐานเนี <laughs> ่ย แเรื่องเสวียสติปัฏฐานเป็นลำเป็นสันต้องารขยายฐานตัวเนี้จากตารางนิ้วเดียวเนี่ยให้มันเป็นตารางวาตารางฟุตตารางเมตรตารางใหม่ออกไปนะให้กว้างที่สุดขยายฐานของสติแล้ว่าสติปัฏฐานให้ทําใจให้มีสติอยู่เสมอฐานของสติก็กว้างใช่ไหมเมื่อฐานของสติกว้างแล้วมันจะตกไปสุกไปทุกไหมไม่ตกเพราะมันกว้างมากนี่ใช่ไหมแต่เมื่อไรถ้าเราลืมสติฐานของสติวิ่งไง ก็หดเข้ามาใช่ไหมพอหดเข้ามาปั๊บล้วก็ตกทันทีเลยใช่ไห ม, ไมไตกไปสู่ตัวไม่มีที่อยู่ในใช่ไหมทีม่อน้พูดงีทตัวอย่างยกชัดเจนนะคะแต่เวลามองเนียก็ยังมองหน้าเดียวอบอกอ่าตนนี้มันแคบแวเออมันแคบจะทยังไงที่จะตัวนี้ได้ตของท่าไดขายายตัวนีออก ต, อต้องขายายตัวนี้ออกให้กว้าง ใช่ไหมกว้างสมมุติฐานในห้องที่เรานั่งกันเนี่ยเนื่องจากตรงนี้มันกว้างใช่ไหมเราก็นั่งได้หลายคนอแต่ถ้าหากตรงนี้มันแคบเดี๋ยวพื้นที่แค่เนี้มันก็อุดอัดได้ใช่ไหมจะเลี้ยวจะกลับจะขยับไปไหนก็จะตกอยู่เรื่อยทําท่าจะตกอยู่เรื่อยนั่นหมายฐานแคบนั้นฐานสตินี้ต้องสร้างให้กว้างที่สุดเลยเพราะฉะนั้นฐานสติมีกี่เสา มีสี่เสาใช่ไหมเสากายเสาเวทนาเสาจิตเสาธรรมเห็นไหม4ี่เสาเลยฐานสติเนี่ยแล้วในฐานสติมันมี4ี่เสาถ้าเสานั้นเล็กเกินไปเป็นไงฐานตั้งไหวไหมหักนะฮเพระนั้นก็ต้องเสาต้องขยายขยายให้ใหญ่นั้นหมายความว่าในฐานกายที่ได้กล่าวไปฐานกายนี้เราจะขยายให้ใหญ่ได้ไงก็ต้องมาเกิดรู้ทั้ง6อย่างส่วนประกอบทของเสาเนีทั้งหอย่างใช่ไหมเช่นอะไรบ้างลมหายใจ อิเลบทสีริบทย่อยหาสี่การสามสิบสองแล้วก็อสุภะใช่ไหมต้องหกเนี่ยไปฐานกายยังไม่ชี้เนี่ยขยายไม่ค่อยออกอะ่ะเพราะความม่วงกินพื้นที่หมดเลยตลอดเวลีตลอดเวลาในความม่วงยึดพื้นที่เกือหมดแล้วไม่ชี้มันตื่นไม่ได้ไม่กอมสุมมสอีกแบบหนึ่ ง, งพ่อมายิ้มแล้ว <laughs> ก็ม่มาความว่าตืนนมาก็ยิ้มได้เลยงั้นเอาชีเนี่ย <Okay. S 1> <laughs> ไม่บูดนี่เขาเรียกว่าง่วงแบบเบิกบาน <laughs> ง่วงแบบเบิกบานเขาเรียก่าง่วงยังมีความสุขงั้นฐานเวทนามีกี่อย่าง mm hmm. ฐานเวทนามีสามอย่างใช่ไหมทุกเวทนาสุขเวทนาอนทุกกมสุขเวทนา เนี่ยให้ให้ให้ขยายเมื่อทุกเกิดขึ้นก็ให้พิจารณาให้เฝ้าดูวิจัยออกมาว่ามันเป็นเพียงทุกข์นะไม่ใช่เราทุกข์แต่ไม่ได้มมันมันทุกขเวทนาเกิดขึ้นเราไปเห็นเราทุกขเมื่อไหร่นั้นเป็นไงเวทนาข้าหักอีแล้วขาเวทนาหักอีแล้วเมื่อสุขเกิดขึ้นเราก็ไปเห็นว่าสุขนี่เป็นเราซะเราก็สวงปะสุขขาเวทนาก็อยู่ไม่ได้ละ อหากอีกแล้วถ้าทุกข็มื่อสุขทุกข e ็มืสุขหมายความมันยังไม่แน่ว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์บางครั้งมันเฉยเฉยใช่ไหมเจ้ว่าเราสุขก็ไม่ใช่เจ้ว่าเราทุกข์ก็ไม่เชิงแต่มันกําลังสแตนบายที่จะเป็นสุขเป็นทุกข์อยู่อะไรปรากฏชัดมันก็จะเป็นอันนั้นเขาเรียกทุกข์ก็เมื่อสุขทุกข์ก็เมื่สุขเวลาเราสวดอะสุขขังสุขขังเวทนาเวทยามิติปัญชายเี่ทุกขมสุขขณะเวทนามิติหมายถึงว่าตัวไม่สุขไม่ทุก คือเรามาแบ่งเรามาแปลว่าอุเปกขาเวทนาซึ่ง gene, ไม่ใช่ไม่ใช่อุเปกขาแต่ว่า mm. นะักธรรมะทั่วไปท่านเลยถือว่ากับอุเปกขาเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนากืออุเปกขาเวทนาเวทนาเฉยๆบ้างเงินแต่ความจริงไม่ใช่คือมันยังไม่แน่ว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์จะว่าสุขมันก็ไม่เข้มใช่ไหมจะว่าทุกข์มันก็ไม่ใช่แต่มันกําลังจะเป็นอยู่ถ้าเมื่อไหร่มีอัตราในตัวไหนสองตัวเนี่ยว่าเราสุขหรือเราทุกข์ปั๊บเนี่ย สองตัวนี้ก็ตัวนี้ก็หายไปเลยมันเกิม า, าเป็นสองตัวนี่เข้ามาข้างหนับไปข้างไหนตัวนั้นก็เกิดแต่ขณะที่มันยังอัต ย, ยังไม่เกิดในสองตัวนี้มันยังเป็นอุทกอมสุขอยู่นั่นเราจะเห็นว่าในเวทนาก็ต้องมาดูสามตัวนี้แล้วก็เวทนาสามตัวได้ขยายเปทีวเวทนาที่มีเหยื่อเวทนาที่ไม่มีเหยื่อสุขที่มีเหยื่อสุขที่ไม่มีเหยื่อทุกข์ที่มีเหยื่อทุกข์ไม่มีเหยื่อคือหมายความว่าสุขทุกข์อันนั้นเกิดจากยัจจนาภายนอกหรือยัจจนาภายใน ถ้าเกิดจากอายตนาภายนอกก็เร่าก็อายตัตะนาภายนอกเป็นเหยื่อถ้าเกิดจากอายตัตนาภายในก็ไม่มีเหยื่ออนี้เป็นต้นเขาเรียกว่าเหยื่อะนะงั้วเราจะเห็นว่าให้ดูทั้งสีขาในกายเวทนาจิตธรรมไว้เสมอก็เหมือนได้ว่าขยายฐานเข้มแข็งนันเหมือนกัเราสร้างตึกยิ่งสร้างตึกกว้างใหญ่ขนาดไหนเสาก็ตึกใหญ่ขนาดนั้นใช่ไหมแต่ถ้าสร้างตึกขนาดใหญ่เสาเล็กเล็กไปไง วันใดวันหนึ่งก็ซุดหบลงมาคนตายไปเยอะเอเหมือนกันนะถ้าเรามัวแต่สร้างสติแต่ว่าเราไม่เคยพิจารณาถึงกายเวทานาจิตทําให้ถูกต้องเลยอสติเรื่อนั้นก็เป็นมิจฉาสติไม่ใช่สมารถ <c oughs> จจบางคนเอาแต่ความรู้สึกตัวอย่างเดียวแต่ไม่คํานึงถึงกายเวทานาจิตให้ชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นในสายของหลวงพ่อเทียนส่วนใหญ่ที่ไปไม่เคยรอดก็เอาแต่ความรู้สึกตัวอย่างเดียวแต่ฐานมันไม่ดีมันคืเลยสุดอย่างเงอืม เอาความรู้สึกตัวอย่างเดียวมันก็ไปสร้างแต่ตัวนี้ยอย่างเดียวสร้างแต่ฐานนี้เนี่ยแต่ว่าขาดไม่ดีไง ane. กายก า, การพิจารณากายก็ไม่แยบคลายวิจาราเวทนาก็ไม่แยบคลายพิจารณาจิตก็ไม่แยบคลายพิจารณาธรรมก็ไม่แยบคายเมื่อไม่แยบคลายหมายความว่ามันไปพิจารณากายเวทนาจิตทำเป็นอะไรเป็นเราหมดไม่ได้พิจารณากายเวทนาจิตทำเป็นแสกแต่ว่าเป็นกายเป็นเวทนาจิตธรรมเพราะฉะนั้นคําว่าสักด้วนนี่ก็สําคัญ สัจวะคือภาษาพระพุเจ้ว่าไงรู้เฉยเฉยรู้ซื่อซื่ออย่าไปปรุงอ่ารู้สบายสบายนั่นแหะเขาเรียกสัจจะว่าแต่ส่วนใหญ่แล้วแล้วมันไม่ไม่เป็นอย่างนั้นน่ะมันรู้ลงเข้าไปในความรู้มันคิดแล้วมันเข้าไปในความคิดไม่ได้รู้เพราะถ้ามันไม่เกิดมันก็ไม่รู้นะครับเดีสมมติว่าสัแต่ว่าอย่างเงี้ยถ้าไม่เกิดกับเกิดเองมันก็ไม่รู้ว่าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสัจจะว่าอืม ไอสัตวะว่ามันก็ยังยากไวใช่ไหมถ้งไม่เกิดคือมันมันมันแค่ถ้าไม่เกิดเนี้ยได้ยินได้ฟังบ้างบอกว่าเห็นสัตวตะวันหยินสัตวตะว่ายินแต่ว่าเอสัตตะวันนี่เป็นยังไงเนาะจกระทั่งเ่อมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกอ๋ออย่างนี้เว่าสัตวตะว่าอืมคือย่างงี้คือเห็นเฉยๆนะเห็นแบบไม่ปรุงจะูติดตาม้าไติดตามอยู่ก็กถสตวตว่าั้นอยู่เฉยๆเพราะมันยังไม่เกิดเนี่ยถูม ถ้าจบงานนี้นี่ถ้าจบงานนี้เอาคุณนิศกบวชได้แล้วเงนี่เพราะว่าเห็นได้ดวงตเห็นธรรมตั้งแต่แรกก็คือถูกแล้วถูกแล้วเห็นตามตามอะไรคะเห็นตามนสือตามนสอเพราะฉะนั้นในในเรื่องของการเจริญสิิปัฏฐานเนี่ยมาว่าเดือนนี้ทากันมากแต่ว่าการที่จะทาให้มันถูกเนี่เป็นเรื่องที่ไม่ใช่ธรรมดานะ เ, เรื่องต้องใช้ความแยบคายเพราะถ้าคนมีปัญญาเท่านั้นจะจะเข้าไปถึงจุดนี้ได้ถ้าคนไม่มีปัญญาก็ปฏิบัติได้แต่ว่าไอ้ความฐานนี่มันจะขยายกว้างไหมก็ขยายขยายได้เหมือนกันแต่มันไม่กว้างหายมันแคบแต่ถ้าคนมีปัญญานั้นหมายความว่ามันขยายฐานออกไปกว้างออกไปเรื่อยๆแล้วก็รู้จักเสริมขามันให้ถูกด้วยถ้าหากว่าขยายฐานแต่มไม่เสริมขาไปไงก็สุดเหมือนเดิม เพราะนั้นก็ต้องต้องเอาทั้งสองด้านาทั้งสองสัด้านหมายความว่าเอาขณะนี้เรามีกายอยู่ใช่ไหมกายเราเป็นยังไงก็เข้าไปดูมันในกายนี่มีเวทนาไหมความเจ็บความปวดความเมื่อยความเพลียความเย็นความร้อนมีไหมก็ดูว่ามันเป็นเวทนาแต่ถ้าเมาื่อใดเราไปดูสมมติเรานั่งนานๆเนี่ยเวลามันปวดมันเมื่อยมันง่วงถ้าเราเข้าไปดูเฉยๆเนี่ยมันก็เป็นกายเป็นเวทนาที่สัตว์ว่าอะไรใช่ไหม แต่เมื่อไรก็ว่าฉันปวดฉันเบือ่อฉันเมื่อยฉันขี้เกียจฉันชอบไม่ชอบเนี่ยอะไรเกิดละสัตว์ว่าหายไปละใช่ไหมมันก็มีอัตตาขึ้นมาแล้วมันมีตัวเราขึ้นมาเราชอบเราไม่ชอบเราเบือเเบ่อเราง่วงเราเงาเราขยันเราอะไรขึ้นมามันมีเราขึ้นมาขาของกายของเวทนาก็ชักไม่ดีแล้วเพราะมันมีโลกแทรกเข้าไปแล้วขาเขาผุมีมอดเข้าไปเพราะเงินมอดก็ไปชอบะปูเข้าไปกินแล้วขานั่นเพราะมันมีอัตตาแทรกเข้าไป เพราะงั้นก็ต้องเอาตัวอซื่อๆนี่เข้าไปก่อนทีนี้ในเรื่องของจิตอ่ะกายเวทนายังกำหนดง่ายนะแต่เรื่องจิตนี่กําหนดยากใช่ไหมคือหมายควาเวลามันคิดอะจะทําไงกับมัน่ะมันจะไม่ต้องคิดเรื่องเนี่ยถ้าจะคิดยังไงมันจะไม่เป็นอัตตาเนี่ยที่มันยากเข้าไปอะคิดเมื่อไรมันเป็นเราทุกทีอะใช่ไหมเป็นเราคิดทุกทีอะมันไม่ใช่สักแต่ว่าคิดอะ แต่ถ้ามันจำเป็นต้องคิดท่านบอกว่าให้คิดเฉพาะเรื่องที่จำเป็นแล้วก็ให้จบให้ไวที่สุดความจริงเรื่องที่จำเป็นต้องคิดมันก็ไม่มากใ ช, นนใช่ไหมวันๆหนึ่งใช่ไแต่ว่ามันหยิบเอามาคิดเรื่อยรีพีทเรื่อยว่าไงดอกย้ำเรื่อยไอ้ตรงนั้นมันเป็นสังขารถ้าคิดในเรื่องจำเป็นคิดจบไม่เป็นสังขารตรงนั้นมันเป็นปัญญาที่จะรู้หน้าที่ว่าจะทาอะไร ท่านใช้คําว่าศาสตรกะสัมปชัญญะคือรู้เป้าหมายว่าจะทําอะไรเพราะในตัวที่จะสืบทอดหน้าที่ของสติให้สําเร็จได้เรียกว่าสัมปชัญญะตัวที่สืบทอดหน้าที่ของสัมปชัญญะให้สําเร็จได้เรียกว่าปัญญาเพราะฉะนั้นตัวสติสมาธิสัมปชัญญะปัญญาสี่ตัวในทํางานร่วมกันอย่างเข้มแข็งถ้าเราใช้เป็นนะแต่แเราใช้ไม่เป็นมันก็จะเป็นแต่ตัวสังขารเข้ามาแทนที่คิดแล้วก็รู้ว่าคิดแต่ว่าจบไม่ลงะมันไปได้เรื่อยๆ มาดูอีกทีนี่อา้าฉันคิดจบไปแล้วเดี๋ยวก็เริ่มเรื่องให ม, ม่อีกเพราะฉะนั้นตัวปัญญาคือการเข้าไปเฝ้าดูในสิ่งที่กําลังเกิดอย่างใกล้ชิดแล้วก็ให้เห็นอาการนั้นว่าเป็นอะไรเป็นของเที่ยงหรือไม่เทียมนี่ให้รู้ไปก่อนเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ให้รู้ลงไปเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาให้รู้ลงไปให้ชัดตรงนั้นก่อนหมายความว่า3ามตัวเนี่ยมันจะเป็นตัวกัน่ะ ถ้าเราเอายิบขึ้นมาเป็นอารมณ์ขนาดนั้นนะเขาเรียกอารมณ์วิปัสนาสามตัวนี้นะอารมณ์วิปัสนาต้องมีสามตัวนี้เป็นอารมณ์คือมันก็ต้องเห็นนิจังทุกขังอตาเป็นอารมณ์เสมอมันถึงจะกันได้แต่ถ้าไม่เอาอธิจังทุกขังอัตาเข้าเป็นตัวกันปั๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นนิจังสุขังอัตตากลายเป็นอัตตาขึ้นมากลายเป็นตัวเราขึ้นมาตัวนั้นท่านยึงตอกย้ำให้ให้เห็นอาการเปลี่ยนแปลงแห่งการเป็นทุกข์แห่งการที่ไม่มี อสาระในความคิดเนี่ยเฮ้ยคิดไปทําไมมันไร้สาระางี้นะปุงแต่งมาทําไมมันไร้สาระคำว่าไร้สาระได้แก่อะไรอนัตตาอ่าไม่มันเรื่องไม่จําเป็นเนี่ยเมื่อ ก, ก่อนมาเคยคิดเรื่องของคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นจิตใจแล้วก็ขุนมัวใช่ไหมเพราะจิตใจขุนมัวเฮ้ยเราเอามาคิดทําไมมันไม่ใช่เรื่องของเราเนี่ยเป็นเรื่องไร้สาระมันก็ทิ้งทันทีเลยอนัตตาปรากฏพอเห็นมาเป็นอนัตตาก็ทิ้ง แต่เมื่อเรายังเห็นเป็นอัตราอยู่มันก็ยังเก็บมาคิดได้อยู่นั่นเป็นเห็นเป็นอัตราจิตใจของเราก็มีสังขารได้ใช่ไหมแต่พอเห็นว่าอ๋อเรื่องไรซ์สลาไม่ใช่เรื่องของเราเนี่ยเป็นเรื่องตลกทั้งสิ้นเลยเนี่ยทั้งหมดเนี่เป็นเรื่องปรุงแต่งเอาทั้งสิ้นเลยทิ้งทันทีเลยเพราะมันเป็นอัตราถ้าเรายังสนุกในการคิดในเรื่องที่เราคิดอยู่คิดแล้วคิดอีกอยู่นั่นแสดงว่าเราเห็นความคิดเป็นอะไรเป็นอัตรา เห็นว่ามันมีสาระเราถึงไปยุ่งกับมันได้แต่ถ้ามีสติขึ้นมาเอ้ามันเอามาคิดทําไมเรื่องไร้สาระทั้งนั้นเลยเนี่ยเป็นอนัตตาใช่ไหมมันทิ้งทันทีเลยนี่เขาเริยกเห็นอนัตตาคือเห็นความเป็นไม่มีสาระไม่มีตัวตนในสิ่งนั้นแต่ถ้าไม่เห็นเป็นอัตตาเออถ้าไม่เห็นเป็นอนัตตาไม่เห็นเป็นเรื่องเป็นไร้สาระนั้นมันก็ยังทิ้งไม่ได้ คิดคิดถึงหลานอย่างนี้เนะี่ยเออหลานตรงนี้ใครจะอยู่ด้วยเนาะใครจะป้อนข่าวป้อนหน้มามันเนาะใครจะดูแลเหมือนอย่างเราดูหรือเปล่านะเ น, นี่ยเอาเรื่องนั้นมาเป็นสาละแล้วเป็นอัตราแล้วใช่ไหมแล้วก็ตอกย้ําไปบ่อยๆจิตมันก็ไม่ไม่เป็นรู้อย่างอื่นแล้วมันจะจะไปรู้แต่เรื่องความคิดในขันนั้นนะเป็นอาตาัตราเป็นโงมากมาอ่า แต่พอพอคิดเอ้าเราก็ลองมาศึกษาปฏิบัติเราไม่มาดูแหลมดูหลานนี่นะเอาหลานมาคิดทําไมเรื่องไร้สาระจริงๆสลัดทิ้งเลยความคิดนั้นเป็นหน้าตาทันทีเลยใช่ไหมพออันนี้ทิ้งเป็นหน้าตาปั๊บมันก็หลุดไปเลยเนี่ยนี่คืออารมณ์วิปัสนาต้องคอยต้องคอยทักท้วมมันอ่ะถ้าหากว่ามันยังไม่เป็นประมาจนะ ถ้าความสำนึกความรู้สึกอันนี้ยังไม่เป็นปรมัตต์เนี่ยต้องคอยทักท้วงเข้ามาเป็นอารมณ์ใช้สัญญาก่อนคอยนึกเอาแต่ว่าเมื่อไรเราเป็นปรมัตต์หมายความว่าเพียงแต่รู้มันก็หลุดละแต่อันนี้ว่าตัวรู้ตัวปรมัตต์เขาเนี่ยไม่ไม่ยงยังไม่เข้มแข็งไงมันก็ต้องใช้ตัวสัญญาเข้าไปก่อนสัญญ า, าไม่แปลคำคำนี้ว่าอะไรสัญญาก็ไม่ความว่านึกเข้ามาใช้ก่อนจาเข้ามาใช้ก่อน จําว่าอาการอย่างนี้มันเป็นความคิดอย่างนี้จําไว้ว่ามันเป็นอาการของอัตตานะจำได้ไหมรู้จำได้ไหมรู้สัญญาจําได้ว่าไอความคิดแบบนี้เขาเรียกว่าอัตตาเรียกอนัตตาล้วก็ใช้ปัญญาสลัดทิ้งจําได้ว่าอาการอย่างนี้มันเป็นทุกข์ใช้สัญญาเอาเอาปัญญาเข้ามาตัดออกจาได้ว่าอาการนี้เป็นอาการของเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงไม่อยู่ไม่คงที่เป็นอาการของอนิจังเนีไย จำได้หมายรู้ง่ายเร็วสัญญาแล้วก็ตัดทิ้งไปก็เป็นปัญญาขึ้นมาหมาความว่าเอาปัญญาไอ้การยช้ปัญญาไปใช้ไม่ได้ทีทีเพราะประมัตย์เเรายังไม่แก่ไงแล้วก็เอาสัญญามานําก่อนปัญญามันถึงจะเกิดแต่ในกรณีที่เราปฏิบัติจนกระทั่งมันเป็นประมัตยแน่นอนแล้วเนี่ยปัญญามันเกิดขึ้นทันทีไม่ต้องใช้สัญญาต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาสั่สมสัญญาก็เหมือนกะทิปัญญาก็เหมือนปรมัตยก็เหมือนน้ํามัน แต่เมื่อน้ำเชื่อมน้ำมันยังไม่ร้อยเซนเนี่ยผมก็เลยใช้กะทิไปก่อนก็แล้วกันเออใช้กะทิแกงกะทิไปก่อนก็แล้วกันแต่จะหิงกะทิเอวก็ไม่ได้ทั้งน้ำมันอีกหละเออต้องใช้กะทิไปก่อนยังไม่ได้ปัญญาปรามัตดก็ต้องใช้สัญญาไปก่อนบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้ า, ออขาพอพอมันกลายเป็นนิสยัยกลายเป็นความเคยชินมันก็จะกลายเป็นปัญญาสัญญาก็หมดหน้าที่ไปแต่ตัวนี้เราเราเพิ่งมาศึกษาเนี่ยมันจะให้เป็นปรมัตดโดยไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าความ ทักษะมันยังไม่มีทักษะคือความเชื่อมนิสชานานยังไม่พอก็ลองใช้สัญญาไปบ่อยๆนะนั่นเราจะเห็นว่า <c oughs> เรื่องการปฏิบัติเนี่ยมันก็ต้องเห็นสภาวะที่เป็นนามธรรมเนี่ยให้มันเป็นรูปธรรมขึ้นมาก่อนไม่งั้นเราก็ทําไม่ถูกใช่ไหมถ้าไม่เอาสมมุติธร่ทมาใช้มันก็ทําไม่ถูกแต่ว่าเราจะต้องเอาใจใส่เท่านั้นเองว่าในการปฏิบัติเนี่ยการลุกนั่งย่างเดินถ้าใครถีถ้วนใครละเอียดคนนั้นก็มีโอกาสที่จะแปลง สัญญาให้เป็นปัญญาได้ไวถ้าใครยังยังหยาบยังห่างยังไม่ละเอียดไม่ประณีตโอกาสที่จะสัญญาจะกลายเป็นปัญญาก็อีช้านานมันก็จะต้องพรอสัญญานี่เป็นอะไรสัญญาก็ยังอยู่ในไฟใต้นี้จังดุขอนาตาอยู่แต่ก็ยืมมาใช้ก่อนรู้ว่ามันยังไม่แน่สัญญาไม่เที่ยงเนี่ยสัญญาอนิจจาสัญญาอนาตาอยู่แต่รู้ว่านไม่เที่ยงเป็นอนาตาเหมือนกันสัญญานั้นแต่ก็ยืมมาใช้ก่อน เพราะไม่มีเครื่องมือนี่เพราะปัญญามันก็ยังไม่สมบูรณ์ใช่ไหมมีไหมปัญญาอานิจจ่าปัญญาอนัตตามีไหมไม่มีไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่แต่สัญญาอนัตตาเพราะในขันห้าเนี่ยมันมีครับว่าสติสมถียปัญญาไม่มีอยู่ในนั้นเพราะนอกเหนือขันห้าน้ำตรงนี้ไม่นอกเหนือขันห้าในขันห้าเป็นทั้งน้ำรูปทั้งรูปนามอยู่ในนั้นแต่ว่าสติสมถียปัญญาเนี่ยเป็นนาำล้วนๆมันจึงไม่ได้บัญญัติอยู่ในขันห้าไง เพราฉะนั้นเราเราจะต้องศึกษาเรื่องนี้แล้วก็เข้าใจเรื่องนี้ให้ดีแล้วจิตของเรามันก็จะบริสุทธิ์ได้โดยง่ายแม้จะกุศลจะเกิดก็ทําให้บริสุทธิ์ได้แม้ความเศร้าหมองจะเกิดก็บริสุทธิ์ได้ทันทีเหมือนกับคนรู้จักล้างมือล้างเท้าเป็นไงใช่ไหมทางานทั้งวันไม่ต้องกองงลัวเพื่อนพอจบงานเราล้างได้ทันทีนะแต่คนที่ล้างเทา้าล้างมือไม่เป็นโอ้มันก็ไม่ไม่กล้าแตะอะไรเลยพราะตัวเองล้างไม่เป็นไม่กล้าไปแตะสีไม่กล้าไปแตะน้ํามันใช่ไหม เพราะสีน้ามันมาล้างยากแต่ถ้าหาว่าคนที่เป็นช่างนั้นไม่ยากอะมันก็มีน้ํามันอีกชนิดหนึ่งมาล้างอจิตของเราเหมือนกันถ้าสมมติเราเรารู้วิธีล้างเนี่ยเราก็ไม่กลา้าไม่กลัวที่จะไปคิดอะไรต่ออะไรละแต่ถ้าหาว่าเรายังไม่รู้วิธีล้างจิตนี่มันก็ไม่กล้าคิดทางที่ปูงแต่งละเพราะกลัวว่าจิตจะเปื้อนแต่คนที่ล้างจิตเป็นแล้วมันก็ใช้ไปทางดีและไม่ดีนี่แหละแต่เสร็จแล้วก็ต้องล้างเพราะฉะนั้นในพุทธ ทพตเขาเรียกว่วาวัฒนปฏิโมสา 3. ข้อใช่ไสัพพา ป, าปะภาษากรลนังกุศลสู้ปะสมทาสจิตตปฏโยธาปังในศาสนาทั่วไปมันจะมีแค่สองข้อเนี่ยหนึ่งคือระวังอย่าทำความอย่าทำบาปอย่าทำความชั่วสองสังสมความอุศลความดีทั้งหลายใช่แต่ว่าสจิตตปฏโยการชำระชิตเนี่ยในศาสนาอื่นไม่มี อ่าในเขามีล้างบาปแต่ไม่ใช่ล้างจิตอ่าอันนี้สติตะประโยชน์ทัพนังต้องชําระจิตเป็นถ้าเราชําระจิตไม่เป็นเนี่ยเราจะคิดดีแล้วก็กลัวจิตเพื่อนคิดชั่วก็คอยจิตเพื่อนนะเพราะนั้นมันก็ไม่กลา้ามันก็ไม่เกิดปัญญา แต่คนไหนที่ชําระจิตเป็นเกิดปัญญาเราใช้ดีก็ได้ใช้ชั่วก็ได้คะนั้นอยู่บ้านบางครั้งเราจำเป็นต้องด่าลูกด่าผัวบ้างใช่ไหมถ้าเขาไม่ดีเนี่ยนั่นเขาพอด่าเสร็จแล้วเราก็ชําระจิตของเราใช่ไหมเออเรารู้จักใช้ชั่วมากบางทีมีแต่ดีอย่างเดียวไม่ได้นะดีอย่างเดียวก็เอออันนี้เขาเลยชี้องให้กระลอกหรือเปล่าลูกชี้ฟงให้กรลอกแต่ว่าต้องเกิดปัญญาก่อนนะชําระจิตเป็นกันนะแต่ชําระจิตไม่เป็นแล้วพอด่าไปแล้วเราก็มาทุกข์เองนะทีนี้ เออด่าไม่จบเพราะอะไรเพราะเราชำระจิตไม่เป็นแต่ชําระจิตเป็นนะโอ้ทีนี้ด่าไฟรับเลยทีเนี้เพราะอะไรเพราะด่าเสร็จแล้วก็เฉยเลยไม่ทุกเลยนะแต่ไอคนถูกแต่คนที่ถูกด่านได้มันทุกเกี่ยวกับตายเพราะฉะนั้นคนที่ชําระจิตเป็นเท่านั้นมีโอกาสที่จะใช้บาปเป็นไม่ใช้บาปก็ไม่บาปใช้บุญก็ไม่บุญน่ะที่ที่เขาบอกว่าพระหันทําบุญก็ไม่เป็นบุญทำบาปมันเป็นบาปก็อย่างนี้ เพราะอะไรเพราะท่านรู้จักวิธีชาระจิตของท่านแล้วไม่ใช่ว่าท่านไม่ทำนะท่านก็ทำแต่ว่าท่านชาระจิตเป็นทำแล้วก็ล้างจิตแต่เราที่ยังชาระจิตไม่เป็นเนี่ยไปทำบาปก็เป็นบาปอยู่ทำบุญก็เป็นบุญอยู่ต้องระวังด้วยนั้นด้วยเพราะมันมีอุปทานอยู่ใช่หมัง่รจะจับคนในมอวเช้าเลยมืนมา่กระทอางเนทีนี้เราเราไม่กลัวไม่กลัวปืนนะใช่มเพราะเรารู้จักว่าเราจะล้างเป็นนะใช่ไหมจับปืนกันแล้วก็จับเล่นไปดีไหม เหมือนกันอันนี้ไม่ใช่ชี้หัให้กระลอกจิตของเรายังไม่ไปถึงตรงนั้นนี่ไปหาเรื่องทําจิตให้เพื่อนเนื้อนัมันเพราะจิตเพื่อนเพื่อนมันชําระยาขนาดไหนฮะเพราะฉะนั้นเองก็เพื่อนโดยอุปทานนั่นแหละตัณหาอุปทานเพื่อนกันนั้นถ้าเรารู้ว่าตัณหาอุปทานคืออะไรนะเราก็ชําระเป็นเพราะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ในพุทธศาสนาเท่านั้นนะที่จะเข้าถึงจุดนี้นะศาสนาอื่นไม่มีสิทธิ์เลย ไม่มีสิทธิ์เลยนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้รู้ว่าพุทธศาสนาเนี่ยโอ้มีสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์วิเศษมากแต่นั่นหมายความว่าเราต้องเห็นเราต้องรู้จักถ้าหากเราเห็นไม่รู้จักโอ้ยก็ดีงนั้นนหละพุทธศาสนาแต่ว่าถามดียังไงนี่นไม่รู้อะนะเพราะมันเอาไม่ถูกไม่รู้เอาไม่ถูกว่าพุทธศาสนาวิเศษจริงๆต้องรู้ว่าวิเศษอะไรเพราะอะไรจึงวิเศษนะ ดังนั้นเราก็จึงรักและห่วงแห็นผู้ศาสนานี่ก็หวงแห็นให้เป็นก็คือต้องพิสูจน์ให้เห็นความดีของผู้ศาสนาเสียก่อนถึงจะรักห่วงแห็นเป็นแต่ถ้าเราไม่พิสูจน์ถึงความดีวิเศษของผู้ศาสนาแล้วรักห่วงแห็นโดยแต่คําพูดนะนะแต่ว่ารักษาไม่ถูกจะรักษาตรงไหนนะเพราะฉะนั้นเองก็อยากจะให้เป็นชาวพุทธที่แท้จรงิงเอาสาระให้ถูกสาระมอยู่ตรงไหนหคุรุจตนาเห็นแน่ทดสอบทันที เอาที่ความไม่ทุกข์กันเไยสาระมันนะเออความไม่ทุกข์มันมีอยู่แล้วใช่ไหมแต่ทีนี้จะทําังไงขยายฐานของความไม่ทุกข์ให้กว้างก็ใครก็ขยายสติปัฏฐานอ่าขยายสติปัฏฐานสิเออมากเท่าไหร่แล้ความไม่ทุกข์ก็มีมากขึ้เท่านั้นแต่ตัวไม่ทุกข์กับตัวสติปัฏฐานคนละตัวนะตัวสติปัฏฐานเป็นที่ตั้งที่วางแต่ตัวไม่ทุกข์เหมือนกับคนอยู่นะ่ะ ตัวตวไม่ทุกข์คือเหมือนตัวเราใช่ไหมตัวสติปัฏฐานสีก็เหมือนที่รองรับเราอีกทีหนึ่งอย่าไปว่าตัวไม่ทุกข์กับตัวสติปัฏฐานสี่เดียวกันไม่ใช่นะไปควละอนันแต่อาศัยกันเราขยายพื้นที่เพื่ออะไรเพื่อเราจะไปอยู่ได้นั่นเองเราขยายสติปัฏฐานสีเพื่ออะไรเพื่อจิตที่ไม่ทุกข์นาะมันจะเกิดขึ้น บ, บ่อย แล้วเราที่จะรู้ว่าถ้าเนี่ยไม่มีเงินจะไปหากระเป๋าทำไมใช่ไหมที่หากระเป๋ามาพราะมีเงินที่จะใส่อใช่ไหมให้เรามีตัวไม่ทุกข์อยู่แต่เราจะทำไงให้ตัวไม่ทุกข์นั้นอยู่ได้นานๆก็ต้องหาที่อยู่ให้มันที่อยู่ของมันได้แก่อะไรก็คือจิตวิญญาณสีนี่แหละอ่าเห็นไหมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจนะไม่ใช่เรื่องทําสุสีสุภาษารอทํำไปด้วยความสนุกแต่ว่าไม่รู้อะไรไม่ใช่นะต้องต้องเห็นให้ชัดว่าอะไรเป็นอะไรก่อน ตัวไม่ทุกนีมีอยู่ทุกคนมีอยู่ใช่ไหมแต่ทุกคนรักษาได้ไวเหมือนกันได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรเพราะเขายังไม่มีฐานอ่าทุกคนเนี่ยสามารถหาน้าได้นะใช่ไหมเขาหลุดจบยังไงสุดลยเขาสู้งคนถามว่าเขาเซ่เาจะเปสิบบูดบางขาเเป็นุกอเาเ็สิ่งที่เาป็นภาาเหตุมันก็เล่าเป็นสิงจิวิญกิงวถเป็นเทาเป็นไทั้งวาจา เอาจำเป็นบางครั้งมันจำเป็นต้องจมให้พอใหญ่ทีเนี่ยจมยุตแต่ว่าเาก็ต้องเห็ดให้เท่าที่เาเี่นะบางครั้งมันต้องจมร้องบวให้กันเนี่ยมันต้องทุกข์แต่ถ้าหากว่าเราจมวนด้วยความด้วยความเข้าใจนะเขาก็เขาบอกด้วยความเมตตาแต่บางครั้งมันเมตตาไห้ลงอ่ะทำไงจูจี่จุกจิกจังยังงนะ โอเวคขาไม่ได kh ้โอเวคขายิงหัวงอมเกิมนนะยิงได้ใจบางครั้งอบางครั้งก็ต้องด่าบ้างว่าก็ได้เอมเออนั่นน่ะนั่นต้องใช้ความต้องใช้ความชั่วให้เป็นด้วยนะต้องใช้ชั่วให้เป็นไม่ต้องขอแล้วเพราะมาสมควรจะด่าจริงๆแล้ว สมควรจะด่าจริงๆนะเพราะนัเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องต้องเข้าใจเด็ดขาด น, นะทําเป็นเล่นไม่ได้นะต้องฝึกฝนเรื่องสติเรื่องปัญญาให้เข้มแข็งจน ช, ชําระจิตเป็นนะถ้าลูกเข้าใจว่าตัวเอง ช, าชําระจิตของตัวเองทําไปเ ห, หมือนกับเราไปเล่นขี้ตรงเล่นเบื่อไม่น่ากลัวใช่ไหมฉันรั่วฉันมีน้ําล้างอะ่ะเมออัน <laughs> จะเป็นยังไงก็มีปัญหาแล้วมีสบู่มีแฟบเนะี่ย เพราะฉะนั้นพ่อใหญ่ใชศสักระวังให้ดีก็แล้วกันนะวันหนึ่งวันหนึ่งยายนานเกิดได้ปัญญาตัวนี้ขึ้นมาแล้วพ่อใหญ่สักระวังแน่ทาไมพัฒนาตัวเองให้ทันนะไม่กลัวแลต้องพัฒนาไม่เที่ยงต้องระวังแต่ว่าทางที่ถูกนั้นพ่อใหญ่สักก็ต้องพัฒนาตัวนี้ด้วยถึงจะทันกันนะพัฒนาตัวปัญญาตัวนี้ด้วย เขาด่ามาเราก็ซัดคืนบ้างเราก็ไม่ทุกบ้างกันเนาะกันนะเออีนี้ด่ากันได้สบายแต่คนด่าไม่ทุกกันนะแต่ถ้าหาอีฝ่ายหนึ่งด่าอีฝ่ายหนึ่งทุกแล้วตรงนี้เนะี่ยเราเสียเปียบเราว้างกันนะ เพราะฉะนั้นปฏิบัติธรรมานี้ปฏิบัติไปมันอยู่ในโลกแล้วไม่นสนุกอะ่ะแสด่าาั่นๆมน่ะคื อ, คอเนงกนเปนขา่างราอดาะลยใช้ัญญานะแสดงว่าไม่มีต้องนะ <c ười> ไ, ไ, ไปขยายฐานสตินะ อายาหานสติดังนั้นเรื่องการปฏิบัติธรรมจึงอยากจะให้เข้าใจอะไรให้ชัดเจนลงไปว่าอะไรเป็นอะไรอย่าให้มันคลุมเครือแต่ถ้าเราทําไปแล้วไม่ชัดเจนเนี่ยต้องต้องต้องเน้นสมมุติว่าเรานั่งเนี่ยเรานั่งมันมันยังไม่ทันปวดเนี่ยเราเปลี่ยนเพราะอะไรต้องถามตัวเองนี่เราเปลี่ยนเพราะอะไรมันทั้งที่มันมันก็ไม่ทุกข์เราทนได้แต่เราเปลี่ยนเพราะอะไรต้องถามใจตัวเองด้วย าบอกก่อนอากาศจะเกิดขึ้นใช่ไหมมันมาหรว่าความว่นเอ๊ะมัชุดความว่นมันแทจะมาแล้วเราต้องีเปลี่ยนนคนั่นความคิดมันหลอกกันนั่นฮะความคิดมันหลอกให้เปลี่ยนแล้วน่ะกลัวความวนมันมาแล้วกลัวมันยังไม่เกิดเลยอะเราก็เราไปกลัวมื่อก่อนทั้งที่มันยังไม่เกิดมีคาพูดของหลวงพ่อเทียนอยู่คำหนึ่งที่อาจารย์ท่านสบะรมานะนี่ตอนนั้นท่านยังไม่ได้บวชนะเนี่ยนี่ท่านถ้าท่านกลับบ้านเนี่ยถ้ามีเสือดักอยู่กลางทางไหนจะกล้ากลับไหม บอกผมกล้าเพราะงั้นนะเอา้าไปกล้าไงเสือมันจะกัดเอาบางทีผมอาจจะสู้เสือก็ได้นะเพราะา <c oughs> เออที่ถ้าหอกโคื่นบอกว่าไม่ไม่กลับถูกไหมเพระเสือมาอยู่ตรงนั้นแต่หลวเทียนท่านท่านรู้ว่าถูกสอบอารมณ์เรื่องนี้ว่ามีเสืออยู่ดักตรงทางแล้วจะกลับได้ไงบางทีผมสู้เสือก็ได้นี่นะบางทีไม่าบางทีอาจเสืออาจจะไม่อยู่ที่นั่นแล้วก็ได้เห็นไหมทุกอย่างต้องเกิดขึ้นเมื่อมันเกิดก่อนถึงจะจัดการกับมันถ้ามันไม่เกิดยังเพิ่งไปจัดการ ก็ใจไหมอันนี้กลัวไว้ก่อนมันยังไม่เกิดเลยย่กลัวไว้ก่อนมันก็ถูกหลอกอยู่ดีนั่นแหละนะเขา อ, อยู่หลอเ<ส>พราะนั้นอารมก็เหมือนกันอย่างมาช่ชีเนี่ยง่วงก็เสู้ง่วงนะถูกต้องนะมิชีต้องง่วงเกิดแลสู้เต็มที่เลยวก้นเออไม่มต้อ ง, องชิดแล้วเออถอนเมขยายความต่างกรรต่างวาระอ่าต่างกรรต่างวาระบางบางเรื่องเนี่ยบางเรื่องนี้มันมันทาไปแล้ววันนี้เราเราทาดีใช่ไหมแต่พรุ่งนี้ เรากลับไปทาในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเราจะไปหมายาว่าเออเมื่อวานที่ฉันทาดีวันนี้ฉันทาไม่ดีมั่งก็น่าจะลบล้างกันได้อันนี้ไม่ได้เพราะอะไรมันต่างการต่างวาระไอ้ทําดีมันก็จบไปแล้วใช่ไ้ยไอ้ทาไม่ดีขึ้นมาใหม่เนี่ยจะเอาความไม่ดี เ, เราทําผิดกฎหมายข้อนี้มาเนี่ย บอกว่าผมทำผูกกฎหมายมาตลอดนีใช่คุณทำดีมาตลอดในวันนี้คุณไปฆ่าคนในคุณผิดกฎหมายไอ้ความดีที่คุณไม่ฆ่าคนมาตลอดคุณจะมาแก้ตรงนี้ไม่ได้เพราะมันต่างกรรมต่างวาละมันคนละส่วนกันเพราะงั้นเถอะเหมือนก า, การปฏิบัติธรรมเหมือนกันไอ้ผมก็ทำบุญมาตลอดนะแต่ทำไมผมถึงมาประสบโชคร้ายเงี้ยไอ้ตอนคุณไปทำสิ่งไม่ดีเนี่ยมันคนละตอนกับคนที่ทำดีแต่คุณไปทำเนี่ยทำให้โชคร้ายก็เพราะมันต่างกรรมต่างวาละ คือหมายของว่าอส่วนที่มาดีมากบเกินใน ส, ส่วนที่ไม่ดีนี่ไม่ได้มันเป็นคน <ๆ S 2> ละส่วนกันผมคิดว่าว่าคนเราจะอ่านการดกรรมไม่ทยกันอืมงั้นก็ต่างคนต่างดีากรรมต่างวระเะงั้นออคนละอย่างฮะต่างกรรมต่างวรระหมายของว่าเราจะเอาสิ่งที่อ่าดีมากบเกินในสิ่งที่ไม่ดีไม่ได้แล้วเอาสิ่งที่ไม่ดีมากบเกินสิ่งที่ดีไม่ได้มันคนละส่วนกันไม่คนต่างต่างส่วนต่างกรรมกันเพาะงั้นเถอะอืมบอกว่า ไอ้วันก่อนเนี่ยผมให้ทานมาทั้งเยอะแต่มาทำไ้วันนี้ทํำไมผมถูกโกงแหละบุญไม่ช่วยผมเล ย, ยทำบุญก็ไม่เลยเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าต่างกรรมต่างวละมันไม่คนมันคนละส่วนกันอืมดังนั้นความดีมันก็มีผลของมันแล้วความชั่วก็มีผลทําดีมันถึงจะดีทําชั่วมันถึงจะชั่วแต่คําพูดที่ว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนี่เขาเรียกว่ามันผิดกรรมผิดวลา <c oughs> ใช่ไหม แต่บอกว่าทาดีมันถึงจะดีทาไม่ดีมันจึงไม่ดีตรงนี้เขาเรียกว่าต่างกรรมต่างบาละชัดลงไปใช่ไหมชัดลงไปว่าถ้าทาดีมันถึงจะดีไม่ใช่ทาดีได้ดีไม่ใช่สร้างบุญไม่พอาถึงแต่คนอื่นเขาดีกว่าเราอืมไม่ใช่สร้างบุญไม่พอเลวสร้างบุญไม่ดีทีบางคนเขาเห็นเขาทเยอะๆเลยทาไมเขารวยเอา เราเคยเชื่อคนก็บอกว่าน่ะชาติก่อนเ็ามีมาเยอะอ้กอนเนี่ยันนี้คืเรืยอวต่างต่างวาละนะเพราะฉะนั้นออกสี่ทุ่มแล้วมันจะนอนแล้วเนี่ยเนาะอ๋อใช่ออาวโมทันสาธุสิ่งที่ได้กล่าวมาทั้งหมดก็ถือว่าเป็นทำให้เกิดสติปัญญาสามารถรู้เห็นความไม่ทุกข์ที่อยู่ในใจของเราให้ชัดเจนด้วยกันทุกคนทุกท่านคือ